ตอนอบรมคอร์สนวมินระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน2559ตอนที่8ก็มีเดลที่เปิดกิจกรรมการรวดเนมรวดชีนะปกติตอนภาคฤธุร้อนระบวดภาคฤธุรอนประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ครูก็ไปเองพาไปเที่ยวเขาคอวัดตาซ่อนแกว คิดว่าจะทําวิธีสึกที่นูน้นพอเดินทางไปแล้วเนะี่ยไม่สำกรคนหนึ่งนะเด็กตั้งแต่อยุสี่ขจนถึงเด็กมัธยมทีนี้กลับมาแล้วก็ผู้ปกครองเขาถามว่าทําไมเด็กไม่ยอมสิเขาจะทํายังไงมันต้องเรียนก็เราก็บวชต่อตอนนี้บวชเอาไว้ในดวงตรลาชิณีเรานะก็บวชตลอดปัญหาแต่เขาก็เรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละ คือพ่อครูถอยไว้ชีวิตมาอยู่ที่นั่น27ปีชุมชนเริ่มวิ่งไปตามกระแสโลกหลวกสาววิ่งตามเงินคนแกเ่เลี้ยงหลานที่บ้านความอบอุ่นแบกคตรครอบครัควพี่ชีชุมชนย่อมสลายดเด็กถูกทอดทิ้งคนแก่ถูกทอดทิ้งเด็กกลายเป็นก้าวลาวซึมเศร้าเพตอนนั้นพ่อครูก็เลยเลิกเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนแล้วก็ตอนเช้ารับเข้ามาตอนเย็นสมรสกับ เหมือนเรามาร้านเขาสะอาดกลับบ้านเขาก็เพื่อนอีกทีนี้เขาเปิดหอพักอยู่ประจา ก, ก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งพอแม่ต้องมาทำงานกรุงเทพมาที่ไห น, น, นก็ดูแลเขาดูแลกดล็ดีระดับหนึ่งดีระดับหนึ่งนะพอให้เขาบวชปึ๊บเด็กพวงนี้ก้นะวกกาวหน้าเร็วมากในแง่เรื่องอารมณ์ตอนที่เขาไม่บวชเราก็ไม่ชีก็ดูแลเขาก็คิดว่าเขาถูกบังคับ แต่บวชปุ๊บเนี่ยเขาบังคับตัวเองเพราะว่าไม่ชีไม่ได้บังคับเพราะมีสิ่งไม่ดีตัวนี้ช่วยได้นะก็เห็นญาติที่ทำบางคนว่าปิดเตียงยาวลูไปอะไรเนี่ยก็ไปนะไปอยู่เฉยๆก็ได้น้อหรือจ ะ, ะบวชกอไปบวชเด็กๆนี่ควรจะให้เขามีภูมิคุ้มกันหน่อยดึงตอนนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากตัวเร็วนี้ครูก็ได้ยินข่าวเกมอะไรนะโอเกมอนพี่จิมเล่นกับเขาด้วย เดี๋ยว่าแต่เด็กมันติดนะผู้ใหญ่ก็ติดตอนนี้เนี่ยเนืงจากเราอยู่ซี่มากไม่มีเวลาอะไรนี่เนะี่ยเราก็เลยต้องหาความสุขกับการเล่นเกมน่นแต่มีเพื่อนมันเพลินคนเราสร้างความสุขให้ตัวเองไม่เป็นเลยไม่เป็นนะต้องไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินใช่ไหมเออให้มาลืมความทุกข์ต้องไปเล่เกมอะไรี่มาสุกสนานเพื่อลืมอหละเต๋าเนี่ยเขา ก็ครูไม่ใช่เต๋าไม่ใช่เซนไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะก็ครูไม่ได้เป็นอะไรนะเพียนว่าอะไรที่เขาเป่องออกมามีประโยชน์ก็ครูก็เอามานําเสนอหมดก็ครูมันมีล่างที่มีกายเต๋าเขาเรียกคนซึ่งสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเรียกว่าอาจารย์นั่นแหะสุดยอดทุกคนก็ไม่ใช่เก่งวิชานั้นเก่งหาหงเงิ น, นเก่งโน่นเก่งนี่นั้นไม่เก่งก็ยังทุกอยู่ก็ยั ง, ยยงมีจริงนะเต๋าเรียกคนซึ่งสามารถ ทำให้ตัวเองสุขได้ด้วยตัวเองเรียกว่าอาจารย์แต่ตอนนี้เราทําให้ตัวเองสุขไม่ได้เราก็เลยต้องไปพึ่งไอ้เกมอะไรๆไม่รู้อะนะวันนี้ก็เถียงกันฝ่ายหนึงว่าต้องให้เด็กมันเล่นถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวโลกจะเปลี่ยนเราอีกฝ่ายเนี่บอกว่าอย่าไปเล่นอันตรายก็สังคมก็เกิดสองฝ่ายนะทีนี้ผู้ภูมิกดบ่อยๆแล้วเนี่ยที่ศูนย์เรามีเด็กยากจนประมาณ เรียนมีตั้งแต่รุ่บาจนจนถึงมัธยมปลายไม่ต้องไปเช็คว่าใครจนใครรวยนะจนหมดจหมดแต่พเราเปิดบวชอยู่ประจาตอนนี้คนโดยก็ไปนะเด็กยังอินเตอร์ที่กรุงเทพก็ไปบวชตอนนี้มีสุขเขาเขาไม่เคยเจอความสุขแบบนี้อยู่ในเมืองเนี่ยต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องอะไรก็ต้องหมดนะเครียดมาก แล้ไม่ได้สอนอะไรท่านมันไม่ได้สอนอะไรจะไปสอนเขาเยอะเขาเบื่อมากแก้เขาสองฝักทำไมถ้าอะไรที่เป็นตัวของเขาเองแต่ว่าอยู่ในกรองที่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเขาจะเกิดบัญญาเองเขาจะมีสิ่งเกี่ยวเชียบเฮ้ยความ ส, สุขไม่ต้องสแสวงหาก็ได้นะเนี่ยโดยเฉพาะเราบวดชี่ปวดเองเปอุบายว่าโอเคเขาก็ไม่ต้องใช้มือถือโอ้ด็กกรุงเทพอย่างนี้ไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะชีวิตเขาคือมือถือแต่ตอนนี้เขาไม่ทำใจแล้วนะ เราสร้างกลุ่มคุค้มกันให้เขาก่อนแล้วต่อไปเขาโตขึ้นเขาจะออกมาโลกมันจะเปลี่ยนมาก น, นี่แล้วเกมอย่างอื่นตามมาหมดนะเรากลัวให้ลูกเราไม่ไม่ทันโลกแล้วก็ส่งให้ไปตามโลกต่างแต่ว่าไม่ทันมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ตั้วนะเราต้องสอนให้เขาอยู่กับโลกให้ได้รู้เท่าทันโลกนะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์ทำไมใช้ไม่ประโยชน์ไม่ต้องไปตามมันนี่เราตามทุกเรื่องพอเล่นๆๆกันสนุกปุ๊บเนี่ยเกมใหม่ออกมาแล้ว มันหลอกให้เราเป็นแค่ผู้บริโภคเท่านั้นะเองนะเอราทำไมสร้างเกมเองไม่เป็นนล้ เ, เกงเราต้องสร้างเกมให้คนอื่นเล่นหาเงินให้เราสิเราไปแค่ผู้ตามนะนักเรียนทุกวันนี้เป็นแค่นักเรียนอย่ยไม่ชัเรียนรู้อันนี้เขาก็ใช้ให้ดูกิจการกราเล็กในน้อยจริงๆแล้วที่โน้นมีหลายกิจการมากัเรื่องชุมชนเรื่องอาชีพอะไรๆนะก็ชีวิตก็คุยอยู่ละก็ยี่สิบปี อยู่เฉยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่ช่วงนั้นก็บอกมาบ้างก็จากไปเมื่อ27ปีมีการเรีนมิตรทีสนิทกันมากเอปฏิบัติแล้วเขารลิกกับครูฟ้าก็กล้าถามว่าเออครูเนี่ยเหมือนปากว่างตาขยิบไม่บอกหยุดชีวิตแล้วไงทำโน่นทํำนี่สูงจิตใจสูญสมองสูญปากทองเห็นไหมหยุดได้ยังไงก็บอกว่าหยุดแล้วถึงทําไงเขาก็ไม่เข้าใจหยุดแล้วถึงทำอะไร ก็หยุดทำเพื่อตัวเองแล้วไม่งั้นจะมีเวลาที่ไหนทำให้กับคนอื่นไหมเพราะเรายังไม่พอเลยมีเวลาที่ไหนทำให้กับคนอื่นนะก็หยุดแล้วถึงทำนะทีนี้ทำโดยไม่ทุกข์ในสมัยก่อนทำแล้วหาเนินทุกข์มากก็ปวดจะแพ้ได้มายังไม่พอใจเพน้อยกว่าเขาก็ได้มากกว่าเราเห็นไหมแล้วหยุดแล้วไงหยุดแล้วเรถึงมีเวลาทำให้กับคนอื่นส่วนทาให้นะไม่ได้ช่วยนะ ยีเจ็ดปีพวกคือไม่เคยช่วยใครเลยให้บางอาจจะไปช่วยเขาไม่บางอาจฝืนกฎแห่งกรรมแต่ทุกวันมีหน้าที่ให้เด็กที่นูน่นเจ็ดแปดร้อยคนชื่อว่าอะไรพกก่อปู่ไม่รู้พ่อแม่เป็นใครไม่ต้องรู้นะเพ่อพ ก, กูรู้แต่ว่าเออเขาเปิดโอกาสให้เราทําบุญนกะัาเราแล้ก็ทำทุกวันให้ทุกวันส่วนให้แล้วเขาดีขึ้นก็เป็นเรื่องบุญของเขาให้แล้วไม่ดีขึ้นก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องเรา แต่ถ้าเราหวังว่าจะช่วยเขาปุ๊บเนี่ยเราจะมีมีเป้าหมายเราจะรุนพอมันไม่ดีขึ้นพูดเราเอง ก, ก็ทุกขนะ์แล้วก็ไปว่าเขาอีกทำดีขนาดนี้ยังไม่รู้จักดีอะไรเนี่ยนะมันมีอามิ t มัน ม, ม, นมีมันไม่บริสุทธิ์การให้ทานทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสูญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ตอนนี้เราให้ลูกหลานเราดีใจให้คนอื่น้ไม่ดีใจันนั้นไม่ใช่ทานนะนะอันนั้นไม่ใช่ทาน ทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานให้ทานคือสลัดออกแล้วสลัดออกปุบมันก็เบาได้ทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าบุญคือเบาบาคือหนักทำแล้วหนักอกหนักใจนะไม่ใช่บุญเลยนะเออทำบุญไปแล้วรอตั้งวิชางวงแล้วไม่ประกาศชื่อทันทีหนึ่งเรามีโรคกอดหนุนเราทำบุญเพื่อทำลายความโรค นะหลงหน้าตาทำบุญเบื่หน้าตาเนี่ยเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อไรมันจะหมดทำบุญก็สัตวแต่ว่าสลัดออกนี่คือขัดเกลาจิตให้โปร่งใสขัดความโรคความตนันหนีเมื่อความโรคความตันหนีเราน้อยลงความทยานอยากเราก็น้อยลงนะเราก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปทรมานตัวเองเราก็ไปสร้างกรรมใหม่แต่ไม่ใช่เราไม่ทำงานนะศาสนาไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจ น, นะสอนให้เรามีวิทยาแต่แค่ขยันขันแข็งก็เพียงพอ ดินนลนขวัญหวายมากไปอยู่เย็นเป็นสุขก็เพียงพอมั่งมีสิสุขมากไปมันไม่มีวันจบสิ้นนะนั่นหละคือทางสายการทุกคนต้องมีอาชีพมีสัมมาอาชีวะอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่มาเล่นเกมรวยับเพราะเกม น, นี้มันมีได้มีเสียนะมันไม่มีลิมิตคล้ายๆว่ามันไม่จบสิ้นนะเราทำเพราะทำเป็นอาชีพ แล้วก็พอทำปุ๊บไม่ใช่แค่พออยู่พอกินนะต้องมีเหลือเพื่อจะทำํำทานถ้ากินแค่พออยู่พอกินเนี่ยเราก็เป็นลิงไปเป็นทาสารก็ อ, อยู่กินได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่มีเจ้าหนี้ลูกนี้นั่นสบายนะแต่มันก็เสียชาติเกิดแต่ก็ชาตินี้ก็ได้กําไรชาตินึงอะจ่ายหนี่กรรมเป็นชาติแต่เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเราต้องมีอะไรมากกว่านั้นเราต้องมีอะไรมากกว่าลิงนะนะเราต้องมีอะไรมาคือเราต้อง เราคิดได้ไงเราคิดจะทาความดีได้ยี่บเจ็ดปี พ, พ่อครูเนี่ย พ, พ่อครูสัมผัสธรรมดาระเบิดยี่สบเจ็ดปีก็ดูนะคาอะไรคือความสุขดูเลยเวลานั้นดูเลยรู้ทันทีเลยโอ้มันสุขมากๆเลยสุขมากๆเลยเกิดมาไม่เคยเจอนะที่มันสุขเพรามันไม่มีทุกข์เลยไม่ต้องกังวนอะไรเลยนะั่นแหะสุขอย่างยิ่แต่พอยี่บเจ็ดปีมาอยู่ในป่าเนี่ยเราต้องรู้ว่าการให้นี่เป็นสุขอย่างยิ่ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วสักแต่ว่าให้ นะการจาคัาสลาโดนี่คือขัดเตาจิตให้ป่องใสอย่างหนึง่งนะส่วนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเจริญภาวนานะคือการเข้าไปในจิตขัดเตาจิตให้ผ่องใสงนั่นแหละคือต้นเองทั้งหมดนะก็ที่ศูนย์ใหญ่เราเนี่ยทำแค่สามเรื่องนะอย่างืนไม่ทําก็คือทําดีละช่วขัดเตาจิตให้ผ่องใสก็คือทานสิภาวนาอย่างหนึ่นไม่ทำ ไม่ใช่เรื่องตัวรับิตไม่ใช่อะไรเท่านั้นส่วนสูน ต, ตรงนี้นะเราครูก็ฝากโค้ชหน่อยนะธรรมดาแล้วอยู่โคโ อ, อยู่งนะคือเจ้าของโค อ, อ, อยูง้านกุญแจเคยไปบวชไปอยู่กับครูอาทิตย์หนึ่งไปปฏิบัติที่โน้นเราก็ให้ใช้สถานที่ก็โอเคระดับหนึ่งนะทีนี้นก็คับแคบแล้วแล้วก็เราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่มื่เดินอยู่ที่นี่มันก็มีค่าเช่ากันเป็นโรงเรียนเก่านะก็ะให้เราเช่าห้าปีก็่ดั้งคุยกันว่าทํำยังไงเนี่ยให้มันอยู่ได้ แล้วก็เลยตั้งชุมโรมขึ้นมานะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าปัาาจจุบันถ้าต้องจีบเป็นอย่างมีเรื่องได้เสียพวกมันจะไม่บริสุทธิ์แต่ที่นี่เราต้องการดูว่าเอ๊ะถ้าจะทำให้เป็นสากลทุกแห่งก็เปิดได้หมดเนี่ยเราก็ลองทงําชุมรมดูสมาชิกชุมรงก็แค่ช่วยกันดูแลนะเอ่อไม่ว่าเสียค่าสมาชิกอุดหนูเนี่ยขอให้มันทําได้ถ้าที่นี่ทำได้เนี่ยทุกมุมเมืองในกรุงเทพในทุกประเทศไทย ท, ทำได้หมดไง เราก็ลองดูนะช่วนี้ลองมาหลายเดือนมนาะดูแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องทำไมครับคือเป็นนะว่าผู้กูว่าเอ๊ะมันมีแล้วเสียดายทำไมไม่ไม่ช่วยดูแลมันให้มันเป็นประโยชน์พอเราว่างปุ๊บเข้ามาเคียดปุ๊บเข้ามานะครับเป็นสมรสอนของเราเนาะก็ก็านายเขาจับแบบนี้แหละผู้กูยินดีที่จะลงมาเพราะว่าถึงต้นปีหน้าพวกผกูพร้อมลนะพร้อมที่จะออกมาส่งมอบแม้กนระนะทั่งไปต่างประเทศกูจะออกแล้วเพราะว่าพู้กูก็ ย่าเก้าหกคิบแปดลเวลาที่เหลือก็ต้องการให้สิ่งดีๆนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มนุษยชาตินะแต่พวกผู้ปฏเบีติในการขัดแยงก็เลยว่าเรายังไม่ค่อยพูดเรื่องศาสนามนุษย์ทั้งหมดมก็เป็นคนอย่าว่าแต่มนุษย์นะั้นผู้วิจาบอกสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุ่งรวมทัศนัตว์ด้วยนะตอนนี้เราไปประกาศาศาสนาแข่งกันของเธ ด, ดีฉันไม่ดี ตังทัพทีแข่งกันก็คูคคคไม่เป็นส่วนหนึ่งในการแย่งนั้นนะทุกคนจะมาใช้ประโยชน์กับศูนย์นี้ได้ทุกเวลานะที่นี้ก็ปิดแค่วันจันะเพื่อทําความสะอาดแล้วก็พักผ่อาาผ น, นหรือว่าซักเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ฝากพวกเราไวนะ้ถ้าใครสนใจที่จะมีส่วนร่วมก็มาช่วยทำเป็นสมาชิกนะมาใช้ประโยชน์แล้วก็บอกกล่าวกันไปให้ทุกคนมาใช้ประโยชน์กับที่นี่นะที่นี่ ขอให้อยู่ได้มันไม่ใช่ว่าต้องมันไม่ใช่เรื่องกำไรคาดทุนนะก็ให้ใช้ประโยชน์เต็มที่เพราะช่วงนี้พักคูก็ลังดูระดับข้างบนนะเมื่อกี้นี่ก็หมอพันชาก็มาเช็คพักคูแล้วก็ด็อกเตอร์ก้อยเจ้าของโรงเรียนก่อนกีฬาก็มานั่งละดั่กคียกันโรงเรียนเขาเป็นแบบอย่างตอนนี้นักเรียน6กพันกว่าคนครูห้ารอยปฏิบัติเช้าเย็นแล้วก็ช่วง ช่วงระหว่างวันเนี่ยเด็กเรียนสองคาปึ๊บสองชั่วโมงปุ๊บปฏิบัติสองนาทีสองกว่าสองนาทีเด็กก้าหน้ามากอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็นังเด็กที่เป็นเขาโคอลิสติกนเนี่ยหรือว่าเรียกว่าอะไรล่ะดีขึ้นม า, มากนะก็อตอนนี้ทางกระทรวงกระทรวงัฐนรตรีช่วยศึกษาก็กาลังติดต่ออยเขานัดหมายกันจะไปชุมนะุถ้าตัวนี้เราสปาร์กได้นะขนะั้งหบดเปิดไปเทีเยงเมื่อไหร่เด็กทั้งประเทศจะมี คือชีวิตเราเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งเรื่องที่เราไม่เคยควบคุมสังการแม้กระทั่งเต้นอนะไรดิไหก็ต้องตั้งตั้งใจมีสเต็ปไนกลัวเต้นผิดไงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทุกอย่างไม่เคยว่างเลยแม้กระทั่งเต้นลําก็ต้องมีสเต็ปไงต้องกลัวมันผิดนะเพราะกูผ่านมาแล้วเนี่ย ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างชีวิตเราตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยคิดว่าทําให้มันเป็นจิตว่างอาจารย์พุญชาติบอกทกงานด้วยจิตว่างไม่เคยว่างครับนะทุกอย่างมีคําว่าต้องต้องต้องต้องทำไมเพราะกูเห็นสิ่งนี้นะก็กูเลยใช้แอปโปรแกรมนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ของกูเนี่ยสามชั่วโมงระเบิดพกูเห็นเลยโครงสร้างร่างกายและประกอบด้วยอะไรบ้างเนะีมันทํางานอย่างไรแล้วก็เห็นชีวิตตัวเองที่ผ่านมาสี่สิบปีวิ่งไปต่างโลกต้องทุกอย่าง ต้องควบคุมต้องสั่งการต้องกังวลต้องคิดต้องอะไรหมดแล้วแล้วเราไม่เครียดให้รู้ไปเราไม่มีเวลาพักเลยก็เลยเซตอัพโปรแกรมนี้ม า, าทุกคนเข้ามาเข้าค่ายตรงนี้นะสี่โปรแกรมนี้นไม่มีแม้แต่หนึ่งโปรแกรมต้องเต้นเขาเต้นหลังก็หลังไม่มีสเต็ปเช็คแอนแดนซ์ทำยังไงก็ได้ด้วยความอิสระมันจะเกิดพลังเรเต้นอนารบิกก็ออกกำลังกายอย่างเดียวออกกาลังกาย ก็ยังมีการควบคุมอยู่อลัวมันจะเต้นผิดตรงนี้ถาขอให้มันสัน่นสะเทือนเร็วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะปลดปล่อยอารมณ์ออกมามันได้จิต ด, ด้วยได้จิต ด, ด้วยได้อารมณ์ด้วยเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยราจะสัมผัสความว่างความอิสระไม่มีแม้แต่หนึ่งสิ่งในชีวิตเราที่เราไม่ต้องกํากับหรือสั่งการฝึกอะไรก็ต้องฝึกนะเพวกกูบอกฝรั่งคนนึงบอกว่าแนวนี้ซึ่งมันไม่มีแนว ไปศูนย์พลาน่อยแนวทางของศูนย์ยไม่มีแนวทางไอ้ที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางวิธีป่าครูคือไม่มีวิธีไม่มีวิธีภาษาที่ have to learn ไม่ต้องเรียน don't have to practice ไม่ต้องฝึก just do it เขาบอกว่านี่ไงกำลังพร็ c กทิสุนาะไม่ได้ฝึกนะเราทำหน้าที่เราก็เต่นเต็นก็หลับหลับแต่ถ้าฝึกปุ๊บมันมีคาว่าต้อง เราคิดนอกกรอบไว้ได้มันต้องสิชีวิตเราถึงเครียดเนี่ยทำงนานเหนื่อยแล้วยังยังกีฬาเนี่ยไปจ็อกกิ้งเฉยไปวิ่งเฉยๆใครก็วิ่งได้ใช่แต่ถ้าเราไปฝึกกีฬาแข่งกีฬาเมื่อไหร่นี่ก็เครียดตั้งแต่วันแรกเห็นไหมต้องมีกติการนัน่นต้องมีเทคนิคอย่างนี้ต้องไปฝึกมันฝึกมันเพื่อจะเอาไปแข่งแข่งชนะพุ ก, ก็ดีใจแพ้ ก, ก็เสียใจเครียดอีกนะ คนโบราณเนี่ยเขาใช้กีฬาเป็นยาพิเศษเป็นเป็นวันที่เราเรลัคซ์เราพักผ่อนนะแต่ตอนนี้เป็นเกมกีฬาเห็นไหมแล้วเขาเวลาว่างๆเนี่ยไปไปท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวก็เป็นนันทนาการของชีวิตนะแต่ท่องเที่ยวตอนนี้ก็เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวตื่กี่โมงไปกี่โมองอะอะไรนะทุกอย่างเป็นธุกรกิจหมดนะสมัยโบราณก็ท่องไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยไม่มีเงื่อนไขเวลานั่นะคือเรลัซ์ก็คือว่านันทนาการ ตอนนี้ทุกอย่างเป็นธุรกิจแฝงอยู่ทั้งหมดเลยและชีวิตเราไม่ให้เที่ยงรู้ไปนะอันนี้ก็กลับมาดูตัวเองหน่อยนะแล้วเมื่อกี้นี่ฉายให้ดูอะไะการบวชของเราเป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วก็พวกเราเต้นเมื่อกี้ก็ขีดจำกัดนะส่วนคุณหมอยาที่ทํำโยคะนั่นที่ทําให้ดูเพื่ออะไร น, ะนี่คืออินไซต์เอาหมอยาหมอฟันต้องไปเป็นจินอาสาเราขึ้นไปทํางานไม่เท่า เขาไม่เคยฝึกโยคะเลยตอนเขาไปในจิตปุกบเนี่ยข้างในมันสอนข้างนอกเห็นจริงๆแล้วมีหลายท่ามากซึ่งทำงงทำยากมากแล้วฝึกยังไงมันก็ไม่สมุิแบบนี้ก็อันนี้ชี้ให้ดูนี่คือตัวปัญญาปัญญาไม่ได้แปลว่ารู้มากไม่ใช่รู้ข้อมูลนะคือทำได้และปัญญาสูงสุดที่เรากำลังมุ่งหาอยู่เนี่ยคือวางได้ นั่นแหละถ้า ม, มีปัญญามันวางไม่ได้หรอกไม่มีเหตุผล น, น, นัื่อนั้นอ้างโน่นอ้ามีอ้างนีเงเนงนน่เห็นไหมไอ้รูปยังไม่โตเนี่ยรอมันโตก่อนเห็นไหมเมื่อกี้คุยพี่อะไรแฝกพี่หน่อยเรานะหน่อย <c oughs> ลูกจนลูกคนตอนจบจะเป็นหมอแล้วเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวจะเป็นเป็นเดียนเปเชียลไลท์ลูกยังไม่อยู่ตัว <c oughs> ตัวเองยังไม่อยู่ตัวคือ <c oughs> มันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยนะนี่คือชีวิตนะ พอลูกโตแล้วยังไม่แต่งงานต้องรอเขาแต่งงานก่อนพอแต่งแล้วยังไม่มีหลานเลยเพอมีหลานเนี่ยหลานยังไม่โตอีกไงแล้วเมื่อไหร่เราจะจบล่ะเห็นไหมมันมีบ้างอยู่ด้วยนะกิเลสนี่ยเขาสุดยอดนะพอเราทําแบบนั้นเนี่ยลูกหลานก็ทําแบบเรา พ่อแม่ทําให้เขาเห็นเขาก็ทําเงินให้เขาเห็นเราเกิดมาแค่นี้เหรอเกิดมามาสร้างครอบครัวแล้วมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายมาอย่างนี้เหรอแค่นี้เหรอชีวิตเราแค่นี้เหรอเห็นไหมระวังไม่เป็นนะสู้ไก่ก็ไม่ได้ไก่มันออกลูกมันรับผิดชอบนะมันออกไข่ปุ๊บมันฟักเลยมันไม่จริงนะแล้วก็พอเป็นตัวพุ๊บก็พาลูกมันทํามาหากินพอลูกทำมาหากินปาาุน๊บมันวางเลยนะ เข้ามาใกล้พวกแม่มจิตเลยนะันไปแต่พวกเราล้างได้ไหมไม่ได้ไดพเพราะลูกฉันลูกฉัน <ๆ S 2> แล้วก็ทุกสิ่กอดคอกันไปชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติหน้าเธอเลี้ยงฉันเห็น ไ, ไหมเปลี่ยนกันนะมีคนหนึ่งเคยมาถามพอ่อกูนะเขาเขาเคยได้ยินซีดีไม่ใช่สมัยก่อนมีเท็กขั้นส หลวงพ่อชามีหมอคนหนึ่งจบหมอไปบวชบวชให้พ่อแม่อัทิตย์หนึ่งพอบวชปุ๊บทราบซึ่งในรถประําไม่สึกเลยพ่อแม่ก็จนมากมีน้องน้องอยู่เนี่ยนี่เป็นลูกคนโตเพื่อนที่จบหมอด้วยกันไปหาหลวงพ่อชาไปถามว่าศาสนาสอนอย่างนี้ไม่กระตันอยู่หลวงพ่อชาพูดยังไง ถ้าจบหมอปุ๊บออกมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องเนี่ยตะตันอยู่รู้คุณเทียบเท่ากับตะขวก้อนหนึ่งตั้งชั่งกิโลขายได้แล้วถ้าจบปุ๊บไปบวชปุ๊บไม่สึกเลยเนี่ยเทียบเท่ากับทองคําก้อนหนึ่งบะเอร์เทพนั้นมันมันเก่าตอนไทยก็ไม่มีย่างที่ทำคนหนึ่งก็ได้ยินมาถามบะกอนั่นแหละรู้เพราะว่าเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวไม่ดูแลพ่อแม่ กู้อยก่อนเย้ก็การที่ไปบวชเห็นแก่ตัวพระกูถางเวลาบวชนี้ได้อะไรเมื่อกี้ฉายดูใช่หมหนึ่งได้โปง่งผมได้ลดน้ำเลือกความหล่อป่งคิ้วเห็นไหมได้โป่งเสื้อผ้าสวยๆงามๆได้สีเหลืองๆชุดเดี่ยวแล้วได้อะไรอีกได้ลดอาหารเย็นมีเรือย้อนไหมมีบังกะโลไหมมีรถเบ้นขี่ไม่ไม่สแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาไม่ได้ไปเสีย อันแรกก่อนแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บตอนนั้นแม่กับลูกไหว้ใครใครไหว้ใครถ้าแม่ไหว้ลูกนี่อาเพรนะตอนนี้แม่ไหว้พรนะนั้นไงแม่ไหว้พระ แ, แม่จนมองไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้องเลี้ยงลูกไม่มีเวลาไปวัดคนรวยก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้อ ง, งหาเลยแต่ตอนนี้มีเวลาไม่มีเวลาถูกผิดอะไรก็ช่างก็คิดถึงลูกไงก็เลยไปวัดไปทำบุญ ไหมไปทาบุญเลี้ยงพระพระเขากลัวว่าจะเป็นหนี้เราถ้าพระจริงๆนะถ้าพระไม่จริงเ็าเรียกว่าแพ้ถ้าพระจริงๆเขากลัวเป็นหนี้เราเขาก็ให้ธรรมทานเราแม่ก็มีโอกาสศึกษาธรรมมันก็เป็นการขัดเกา่ให้แม่เนี่ยวางับตอนนี้ไม่ใช่ลูกคุณแล้วตอนนี้เป็นลูกหลานของพิจิตรเจ้าแม่ได้ไหว้พระทุกวันได้เา้ารพทุกวัน ได้ไปทองคำทุกวันีน่แหละคุณค่ามันเทียบเท่ากับทองคําก้อนถ้าการคิดแบบที่เห็นแก่ตัวเนี่ยบังเอิญที่นี่มันไม่เกี่ยวศาสนาทุกวันนี้เราส่วนใหญ่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ไล้ศาสนาละแต่ศาสนาที่ประจําชาติเราคือศาสนาพุทธเรามีพระ พ, พุทธรูกเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนาะเป็นสัญลกักษณ์กาบบา ย, เ, ยเพื่อเราจกถึง เรววาไหวคนที่เขาทิ้งครอบครัวแล้วทิ้งแผ่นดินด้วยพระเจ้าดีไหมเห็นแก่ตัวไหมมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นรู่นพี่ปูก็ไปพู ด, พดเลยพระเจ้าก็มีจิเลสผมไม่มีกิเลอะไรเล ย, เลยจะไปที่พ่านทิ้งลูกทิ้งเมียเพระเาะกวกไม่ใช่ลำบังทิ้งทิ้งแผ่นดินด้วยเพราะองค์ไม่ได้ทิ้งเพราะองค์วางชัวง่วคราวนะพระองค์รู้ว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปพระองค์ก็ไม่พ้นทุก คนที่พระองค์รักก็ไม่ทนทุกข์บุญเก่าพระองค์อย่างทาให้พระองค์เห็นทุกคนหรือพระองค์เศร้าพระองค์ไม่ได้เสียสละพระองค์ไม่ได้เสียสละที่ยิ่งใหญ่นะพระองค์กล้าทําในสิ่งที่ทุกความถูกต้องไปแสวงหาโมฆะธรรมเห็นไหมสุดท้ายพิสูจน์ว่ายังไงพระองค์มาได้ทริงพระองค์กลับมาโปรดมาดูทั้งหมดนั่นคือความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัววันที่พระองค์ออกจากราชวังถามว่ามีใครชอบไหม ไม่มีใครชอบหมดไม่มีนะทุกคนรักหนึ่งอยากเห็นหน้าทุกวนถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นทุกวันนี้เรายังงงเข็มในมหาสิ่พราะครูเข้าใจอารมณ์นะเพราะครูเข้าใจอารมณ์นะว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรารู้ไแต่พระครูเข้าใจคนอยู่ทางโลกพระครูอยู่แล้วพระครูเข้าใจพระครูเป็นอย่างพวกเราทั้งหมดแล้วเราเข้าใจหมดเลย แต่พวกเราทั้งไม่อย่างเป็นอย่างพ ก, กูไม่มีมันเข้าใจนี่ถึงอย่างเดียวว่าคนนี้มันบ้าขาดสติแล้วอยู่อเมริกาดีๆไปอยู่ในบ้ามีนักวิชาการไปหาไปวิเคราะห์ว่าไปหาข้อมูลทําไมพวกกูคิดอย่างนี้มาอยู่อย่างนี้ยังไงทําไมพวกกูเสียสลาขนาดนี้พวกกูบอกพวกกูไม่ง้อที่จะเสียสลานะชีวิตทําเล่นได้ยังไงพวกกูทําในสิ่งที่มันควรทำเรื่องอะไรจะไปเสียสละชีวิตทําเล่นไม่ได้ เราทำในสิ่งที่มันควรทําชีวิตเราสี่สิบปีทําแต่เรื่องที่ไม่ควรทำเด็ดไปทาแต่ลราก็โง่สิกรรให้กับตัวเองมันผ่านไปแล้วถ้าเรารู้ก็ไม่ทําถ้ารู้ก็ไม่ต้องแต่งงานด้วยแหละไม่ต้องไปผูกผ่วงแต่มันแต่งแล้วเจ้าชายยิธาก็แต่งเหมือนกันแต่งแล้วพวกองค์วามได้แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทําอย่างนั้นนะความพร้อมทางด้านจิตใจมันไม่เหมือนกันพราะองค์ออกไปลูกเมียไม่ได้เดือดร้อนอรค์อยู่ไม่มีอยู่มีทิ้นแน่นอนแต่ว่าเดือดร้อนทางจิตใจน่ะแต่ว่าพระองค์ต้องแลกด้วยอะ ถ้าเราไม่ยอมวางตนนั้นแล้วเนี่ยศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะต้องเข้าใจนะโอ้ยบวชแล้วนม่เห็นแก่ตัวอยพูดท้บาวชเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาไม่ได้ไปเสพสุน่ะเด็กเด็กตีสุนแบบนี้สาวสี่วบบวชยิ่งใหญ่ว่าผู้ใหญ่ยังทําไม่ได้นะแค่ไปตัดผมที่ตัวเองไม่ชอบมันกาทุกข์แลยใช่ไหมกล้าโกนไหมพี่จีนใบไปบวชกูเหี้ย จะได้เิ่งยิ่งเด็กวัยรุ่นกำลังสาวกำลังหนุ่มเนี่ยเขาแน่นอนเขายังมีความอยากอยู่นะเขาก็สู้กับอารมณ์อยากเขาอ ย, าาอยู่แต่เขาทําได้เี่ยเพราะคุณอนุโมทนาสามทูเลยนะนะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาผ่านได้ต่อไปชีวิตเราเนี่ยเขาจะออกมาต่อสู้ข้างนอกเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันตอนนี้เราสังคมไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานเราเลยแล้วก็ไปดึงอาอะไรไม่รู้เนี่ยสมมติว่าสังคมไทยเป็นข้อควร คุณยายังนุ่มจงกระเบนอยู่เห็นไหมคุณป้าก็เคี่ยวมากมพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นแต่พ่อบ้านไปเถื่กินเหล้าไปเจอเพื่อนฝรั่งมาโอ้ดีเล่าฝรั่งไปชวนมากินที่บ้านมาเมาไปก็มั่วเกาะพัดอยู่เป็นโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยลูกหลานเรายากจะเป็นยากจะเลิศไลยมันก็เลยเสร็จหมดเลยตอนที่เสร็จแล้วกูคืนเลยน่าเสีดายมาก ก, กูไปอินเดียเที่ยวสุดท้ายเนี่ยนะหลายคนก็ไปกับพกูเราไปเมืองหลวงเขานิวเดลีผู้หญิงเขายังนุ่งซาลีไปทํางานอยู่ในตึกสูงผู้ชายอย่างนุ่ยย ง, งแบบนกรุนะงเทพนี่เองผู้หญิงเราเป็นนุ่งชุดไทยเดินเฉวสีลงเนี่ยเขาบอกเขาจะมองให้จะไปถ่ายรูปถ่ายภาปรพยนต์ที่ไหของเขายังไม่จริงอ่ะเนาะ เขาจเจริญแต่เขาไม่หลงมากมายเขายังไม่ทิ้งร้างน้องแล้วคงมีประเทศเดียวนะตอนนี้นะไปพักโรงแรมห้าดาวก็ช่างสนามบินรานาชาติก็ช่างฉันปิดไฟสามนาทีวันนึงปิดหลายครั้งเขาไม่ได้ห่วงเศรษฐกิจกจนเขาจึงสังคมทำให้เขาปิดเขาเอาสามนาทีที่เขาปิดไฟนี่ค่าใช้จ่ายของไฟนี่เอาไปให้คนจนเห็นไหม เขาไม่แค่อุตสาหกรรเขาจริงสังคมเขาไม่จริ้งเขายัางรักษาล่างเงาฮะนะถ้าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอินเดียเขาอยู่ได้ไม่ใช่เฉพะเมืองไทยหรอกแต่นี่เมืองจีนก็เล่นตุ้เป๊ะแล้ ว, วกูเคยไปเมื่อที่สามสิบปีก่อนนะโอ้คนจนังบทซีนเสียเพราะว่าเขาจนเพราะยังพึ่งพวกคนจีนคนเลยยากพี่น้องสงให้โอ้ตอนนี้กลาเลยวิ่งไล่กันกวนกวนจะช้าชนผู้อาวุโสเราล้มเลยมันไม่หมองด้ย ก่ที่ทํามาจากเซียนให้เยอนะะตอนนี้เขาญาติจากฝรั่งเศสก็ไปอยู่ตอนนี้บอกพวกกูไม่น่าอยู่แล้ ว, ลวก็ไปเซียนให้ใช่ไม่มีหัวใจเหมือนงบอยู่ในกรงอะ่ะเปิดปั้แข่งมาเลยนะถ้าเขาไม่แข่งเร็วเนี่ยเขาไปอยู่ไม่ได้คนมันก็พันกว่าลานคนเนี้ยตอนนี้น่าเสียดายมากเล็กหมดคุณได้อย่างคุณจะเสียอย่างเห็นไหมเอาจะเ่เศรษฐกิจจะไหมในแง่สังคมแล้วเนี่ย ขัดแย้งกันพร์คชันเต็มไปหมด่ราสมัยก่อนไม่มีนะครัทีนี้เราเลือกว่าทางสายกาเราอยู่ที่ไหนความปนิวยอยู่ที่ไหนบางที่เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้แต่ชีวิตเราเราเปลี่ยนตัวเองได้เราเปลี่ยนตัวเองได้นะก็ไม่รู้ให้เวลาพวกคุณเท่าไหร่นะก็มีมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเราที่เราทําพวกที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพกายจิตอารมณ์ นี่คือชีวิตจิตประกอบด้วยขัหนห้าที่เมืเจ้าพูดไปแล้วนีขันหะ้า น, นิ้วหานิ้วนอ้องมันบวก ข, ข, ข้างกลางนี่สามนิ้วขผมหัวแม่โป่งนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือสามอย่างเนี่ยตรงกลาเนี่ยเป็นเป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ตัวนิ้วก้อยเนี่ยเป็นวิญญาณเป็นจิตแล้วประกอบด้วยกายอารมณ์จิตเราต้องบูรณาการ <S <S ทั้งสามอย่างนี้เนี่ยให้มันสมดุลกันนั่นแหละชีวิตจะ ตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาเรื่องกายยภาพเขาเรื่องรูปธรรมอย่างเดียวเราปฏิเสธนามมาทำเราปฏิเสธเรื่องอารมณ์การศึกษาก็เรียนเรื่องไททิวอย่างเดียวให้มันเก่งๆสุดท้ายมันก็เอาความเก่งมันเนี่ยมาทะเลาะกันทุกคนเครียดเพราะเราปฏิเสธเรื่องอารมณ์และเรื่องจิตวิญญาณไอโปรแกรมที่เราทำอยู่นี่ทั้งสามอย่างนี้ไปด้วยกันนะก็ก่อนที่จะเดินทางรเทุกครูก็ได้รับเอกสารชุดหนึ่งเป็นข้อความหนึ่ง บางคนอาจจะเห็นแล้วนะในเว็บไซต์ก็มีนะแล้วผู้ผู้อ่านให้ฟังสันส้นๆนะมันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเราทุกวันนี้เรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงน ะ, <S <S นะชื่อหนังสือชื่ออย่าให้หมอฆ่าคุณอย่าให้หมอฆ่าคุณนี่คือสุดยอดหนังสือสุขภาพที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นยอดขายมุ่งสู่สองล้านเล่มและยังแรง ไม่หยุดในตอนนี้ผมเป็นหมอมา40ปีแล้วพูดได้แต็งบากว่า ย, ยิ่งใครไปหาหมอบ่อยๆชีวิตก็ยิ่งจะสั้นลงได้ไ ง, ไง่ายจากยาและกระบวนการรักษาสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่ศรัทธาหรือความเชื่อในการรักษาทางการแพทย์แต่อยากให้คุณไตรตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าครับในแพทย์คนโร ม, มัก โ, โต บุคคลเกียรติคุณแห่งญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ตัดทิ้งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแพทย์ประจําภาควิชาลังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มาหาวิทยาลัยเคเอโอผู้ได้รางวันเกียรติคุณแห่งญี่ปุ่นในฐานะผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ตัดทิ้งแต่คุณหมอคนโดไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีลักมอบกับโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สุขภาพแบบอง์รวมในมุมมองที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนเป้าหมายของคุณหมอก็คือให้คุณห่างไกลยาและการรักษาที่ไม่จาเป็นนะน่าสนใจจากในเรื่องนี้นะสบเอร์ซของผู้ป่วยโรคมะเร็งในญี่ปุ่นหากปล่อยเนื้อลายทิ้นไว้จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงมากกว่าการเข้าการ ร, กา ร, รักษา ยาต้านมะเร็งหรือเคมีบาบัดคีโมเป็นพิษที่ร้ายแรงมีฤทธิ์แค่ทำก้อนเนื้อร้เล็กลงชั่วคราวไม่ได้ช่วยรักษาหรือมีประโยชน์ในการยื้อชีวิตออกไปแต่อย่างไดมีการปรับมาตรฐานค่าความดันงโลหิตสูงสุดจาก160มิลลิเมตรปรอดสมัยก่อนเนี่ยความดันปุ๊บเราค่ า, คามมาตรฐานอยู่160นะปรับลงมา เป็นร4 0ในปี2000และ1้0ในปี2008ทนแทำให้อยู่ดีๆคนจำนวนมากก็กลายเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยต่อธุรกิจขายยาลดความดันรวนมๆมะเร็งที่ไม่สร้างความเก็บหวดแม้จะก่อยไว้ก็ไม่มีก็มีไม่น้อยเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูกเป็นต้น ก้อนมะเร็งมีทั้งสองมีทั้งของจริงและของปลอมแต่ไม่ว่าจะจริงหรือปลอมวิธีรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำเคมีโอจะเปล่าประโยชน์เสียเก้อร์เซก้อนมะเร็งไม่ได้ทำให้เราต้องทุกขทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตลงแต่สาเหตุคือกระ บ, บวนการรักษามะเร็งต่างหากยาลดคอเลสเตอรอลที่ขายกันทั่วโลกยาประเภท สเตมีโอกาสป้องกันโรคได้น้อยยิ่งกว่าการถูกรอตเตอรี่ในอเมริกาคณะกรรมการที่รณรงค์ให้ลดค่ามาตรฐานของไขมันไม่ดี L D L คอเลสเตรอรอลเนี่ยเพื่อให้คนจำนวนมากขึ้นถูกวินิจฉัยว่าป่วยรับเงินจากธุรกิจยาถึงแใน9คนจนเกิดการประทวงคนร่างกายแข็งแรงควรหลีกเลี่ยงการฉายรังสีเอ็กซเร และการทำซีทีสแกนแม้ครั้งเดียวก็เสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งได้หากไปรักษามะเร็งเราก็สามารถควบคุมความเจ็บป่วยได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสติอยู่คบถ้วนไม่มีการเลื่อนเดือนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะจากไปอย่างสง บ, บและเมื่อเทียบกันแล้วหัวสมองปลอดโปรงกว่ามากและไม่ต้องสูญเสียกิจกรรมอย่างเช่นการเดินเล่นด้วย การบำรุงร่างกายและสมองจำเป็นต้องได้รับไขมันและโปรตีนอย่างเพียงพอแต่ไม่ต้องไปกินอาหารเสริมใดๆเพียงกินไข่และดื่มนมทุกวันก็พอแล้วทุกคนควรเขียนพิธนกรรมชีวิตไว้หมายถึงเอกสารแสดงเจณฑ์จำนวว่าอยากให้รักษาอย่างไรช่วงก่อนจะเสียชีวิตควรเขียนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ท, ที่สุดเช่นไม่จาเป็นต้องฝืนให้อาหาร เช่นสอบท่อให้อาหารผ่านตามจมูกถ้าใส่เครื่องช่วยหายใจครบหนึ่งสั ป, ปดาห์แล้วยังไม่ได้สติให้ต่อเครื่องหมอเลยหนังสืออยากให้หมอข้าคุณ mm hmm. ก็พ่อครูพูดเรื่องสุขภาพที่มานานแล้วละ่ะ mm hmm. ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับความกล้าหารของคุณหมอคนนี้แน่นอนวงการหมอแตกดื่นหมดไปขัดผลประโยชน์เขานะเขาเป็นหมอวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงในญีุ เขาทางานเป็นหมอสีสิบปีและตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงไม่สบายก็หาหมอคือเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยเราศูกสอนมาอย่างนี้ไงที่ศูนย์น่ยมีคนหนึ่งเน่ะเขาเป็นโรคประสาทต้องกินยากลุ่มไปปฏิบัติวันนั้นเขาลืมออกมาเอามานั่งปุ๊บก็แสดงอาการไปหาหมอหาหมอหาหมอนะพวอกูก็ใช้อุบายคุยกับเขาาให้เขาดื่มปุ๊เขาผ่านไปเวียนเวียนเวียนเวียนเวีเขาวยนปุ๊ขึ้นมาอีกแล้วหาหมอตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ นะก็ให้เขาขับรถไปโรงพยาบาลเนี่ยแค่ถึงหน้าโรงพยาบาลมันก็หายแล้วไงมันเป็นปุพทานถ้ามันเป็นจริงๆก็ต้องไม่หายสินี่เนี่ยโรคแบบนี้เยอะมากเราคิดตัวเองแล้วก็กกูเอาเองนะพักกูเคยอบรมนะผนักศึกษาจะจบปริญญาโทหาอะไราสารคนีทุกปีต้องมาฟังพกักกูบรรยายเห็นนั่งอยู่อย่างนี้มีด็อกเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งด็อกเตอร์ฝรั่งเศสคนหนึ่งด็อกเตอร์ไทยคนหนึ่ง เราครูบรรยายพราคขาบอกงูง er, er, ูง you know ูงูเด็กไทยแตกตื่นไปหมดด็กเตอร์ไทยก็ตื่นอยู่นันด็อกเตอร์ญี่ปุ่นก็เพื่อพลังเสกมานั่งดูเกิดอะไรขึ้นที่เราตกใจเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่างูมันกัดใช่ไหมมีคนสามคนนั่งคุยกันอยู่หนึ่งชาวป่าไอทาซาสองชาวเมืองมาจากกรุงเทพ สามเนี่ยชาวบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพราะเด็กคนหนึ่งบกงูงูงูตัวใหญ่มากชาวเมืองทำยังไงกูวิ่งหนีก่อนเพราะรู้ว่างูมันกลับตายชาวบ้านไหนไหนไหนวิ่งหาวิ่งหาไม้กลัวด้วยกลัวจะตีมันไม่ได้นะเพราะอาหารจานโปรดไอ้ทาซามันนั่งอยู่เฉยพวกนี้มเป็นบ้าหรือเปล่าคนหนึ่งวิ่งหนีคนหนึ่งวิ่งใส่เห็นไหมเรื่องเดียวกันทําไมคนหนึ่งวิ่งหนีวิ่งใส่ อันนี้เรียกว่าโรคอะไหโรคอุปทานนะไม่เป็นอะไรก็คิดให้มันเป็นนะนักปัชญาเดก้าฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาเคยพูดไป I think t h e r e for I am ฉันคิดฉันจริงเป็นตัวตนนี้จึงมีแล้วลองไปแก้ที่ต้องคิดบวกคิดบวกสิ่ง็ไหมก็คิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิดบวกคิดบวกให่ไหมเออคิดบวกเดี๋ยวคนเรียนระวังนะ อยากได้เงนคิดบวกจะไปแข่งนชนะเก็คิดบวกเป็นเขาก็เท่ากัน ม, มันต้องแก้โดยอะไรเจ้าแก้โดยอะไรรู้ไหมแก้โดยไม่ต้องคิดต้องกลับกันนะ I think therefore I am ต้องเอากลับกัน I am therefore I think เพราะมีตัวเราแึ้มีคนคิดไงแก้ปัญหาด้วยความคิดสําคัญต้องไม่ไมต้องไม่ต้องคิดลบได้ไหมไม่ต้องคิดลบ ก, ก็ไม่ต้องคิดบวกไง คิดก็คือมโนกรรมเลยเห็นไหมมโนกรรมก็ต้องรักกรรมอยู่แล้วเนี่ยเราคิดเพราะเราอยากออทําไมไม่ต้องคิดกินข้าวก็ไม่ต้องคิดขับรถก็ไม่ต้องคิดเนี่ไงทํางานก็ไม่ต้องคิดไงเอาประสบการณ์เราทําตั้งใจทำงานผลงานมันก็ดีแต่เราอดคิดไม่ได้เพราะเรามีอาณาโฟคิดวางแผนตลอดตอนทำงาตรงนี้ทนี่จะตั้งใจทํานร้อยเปอร์เซ็นต์เไปคิด ทำเสร็จแล้วที่จะไปทมอะไรแล้วก็ทําถูกทําผิดไยก็ไม่ตั้งใจเห็นไหมผลงานออกมามันก็มีดีนี่แหละถ้าพวกเราอยากมีอนาคตนะฟังพวกปูอย่าห่วงอนาคตอนาคตมันมีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าอนาคตอย่าไปห่วงทุกคนมีอนาคตทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดทํำไ้ด้วยสุขไปด้ว ย, ว, ยวาดรูปอยู่เราเป็นคนรับผิดชอบอนาคตวาดห้าสิบเปอร์เซ็ต ก็คิดว่าเดี๋ยววาดเสร็จแล้วจะไปทําอะไรเอ๊หรือฉันว่าดเนี่ยฉันจะได้แชมป์หรือเปล่ามันก็วาดถูกวาดผิดไงพรุ่ ง, งนี้สีมันแห้งได้ 50% แต่ถ้าเราไม่มีอนาคตนี่เราวาด 100% เลยมีความสุขกับมันนะสมาธิตั้งมั่นโพลทอรีร่นี่อารมณ์แทรกไม่ได้นั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งสติก็ตื่นรู้พรุ่งนี้อนาคตสีแห้งเราได้ 100% ทำปัจจุบันไม่สนใจมันยังไปคิดถึงเรื่องอนาคตเห็นไหม บาทีทำไปด้วยเป็นนึกถึงอดีตอีกโอ้ปีนั้นฉันไม่น่าตัดสินใจอย่างนั้นเลยมันพลาดมาเลยเนะี่ยคิดจนตายก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไงมันก็กระทบปัจจุบันเห็นไหมเพราะเรามีความอยากอยากคือที่มาของทุกทําว่าอยากทําทําไมหลายคนแยง้งเพราะกูก็ทําเพราะทําไงทําไมต้องอยากถึงทําถ้ามันหายอยากมันก็เลยขี้เกียจไงทำเพราะทามันเป็นหน้าที่เราเราต้องอยู่ต้องกินไง เ, ออเราต้องมีอาชีพไง ไม่ต้องทำเพราความอยากเวลานรานอนาคืนเนี่ยไม่ใช่อยากนอนค่อยนอนมันไหนไม่อยากนอนก็ไม่ต้องนอนสิอเอาไหมไม่ต้องอยากกินข้าวเอาไจะได้ประยัดหน่อยเนา ะ, ะถ้ามนุษย์เราเนี่ยเกือบเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกนี่นหะนึ่งสองสามทำเหมือนอินเดียนะหรือว่าวันนี้ไม่กินข้าวเย็นกันแค่มื้อเดียวนะเอาวัดเฉลี่ยว่ามือ้อนแค่สิ บ, บาทก็พอ แปดหมืนล้านต่อนหนึ่งมื อ, อแปดหื่นั้นเอาไปทําอะไรไปแจกคนจนคนละล้านเลยได้แปดหมืนคนบัณนึงเป็นเศรษฐีเงินล้านหมดใช่ไหมพวกนี้อีก <c oughs> โลกนี้ไม่มีคนจนหรอกแต่เราไม่คิดหรอกเราไม่เคยคิดเพื่อเฟื้อเผือแผ่ของใครไมร่ว่าฉันจะชนะยังไงจะต้องคิดบวกเพื่อเอา้าชนนะเขาเวลาคิดบวกต้องระวังคิดคืมนมโนกรับ แค่ไม่ต้องคิดลบได้ไหมนะมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปเนะื่งจากทั้งหมดเราก็าไม่เคยมาดูตัวเองเลยนั่นแหละตอนนี้ก็ถึงเป็นโอกาสดีว่าเราแบ่งฟันเวลาเรามาม า, มาเต้นมาลํามาลองมายืนมาเดินมานั่งมานอนอยู่กับตัวเองตลอดนั่นแหะโอกาสที่เราจะเข้าใจตัวเองก็มีใช่ ไ, ไหมถ้าเราไม่ดูเลยเราจะไปเห็นตัวเองได้ยังไง บางทีไม่เห็นใจตัวเองเลยทําตัวเองทุกเราบอกว่าคนอื่นไม่เห็นใจเราเราเองยังไม่เห็นใจตัวเองเลยทําให้ตัวเองทุกแล้วคนอื่นจะไปเห็นใจเราเนี่ยเพราะคูเห็นใจทุกคนนะเพราะคูเข้าไปในใจทุกคนได้เลยนะอย่ากลัวนะเพราะคูไม่ผิดศีลไม่แอบไปดูนะแต่เพราะครูจงไม่ตามใจไงมีแต่กิเลสใน่ไหมเราต้องดูตัวเองเราต้องจะเห็นใจตัวเองไงอันนี้เรามี่จะมองคนอื่นเป็นพวกเธอนั่นแหละเป็นพวกเธอนั่นแหละทําให้ฉันทุกดูตัวเอง แล้วจะเห็นใจตัวเองว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็ล้างให้มันสาดซะนั่นแหละเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุกรักกันแค่ไหนเวลาเราปวดท้องเนี่ยเขาปวดแทนเราไม่ได้เนาะตารอะไรไม่ไปอยู่กับพวกครูเนี่ยบางทีญาติพี่น้องก็ด่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้ไวไปฝืนกดแห่งกรรมใครไม่ได้ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นไหมใครยกคนหนักคนนั้นวางก็เบาเห็นไหมกรรมใครกรรมันบุญใครบุญมันรักกันแค่ไหนก็จ่ายหนี้กรรมแทนไม่ได้แต่หนี้ศีลนี้ช่วยกันได้อยู่คนนี้สร้างหนี้ศีลเออเราไปจ่ายแทนกันได้แต่หนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยรักกันแค่ไหนก็จ่ายแทนกันไม่ได้รักแรงกันไม่ได้กรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันถ้ารักกันจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้เข้ามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ลูกนี่รักพ่อแม่มากนะขยันหาเงินบมเดียพ่อแม่เป็นแสนแสนล้านก็จ่ายหนี้ไม่หมดเพรู่เจอเด็กๆเลยนะวันเกิดปุ๊บเนี่ยอย่าไปฉลองวันเกิดนะต้องอ้างวันเกิดของเราเนี่ยทําบุญเนี่ยให้พ่อแม่เราวันที่เราเกิดเนี่ยเป็นวันที่แม่เราเจ็บปวดมากตายกับเป็นมีค่าเท่ากันเนี่ยแอบปีเปิดเดทอยู หมาจะเกิดฉี่มากเกิดต้องอ้างวันเกิดเราถึงทาบุญนี่แหละมันเป็ น, เ ป, นเป็นนั้นน่ะนะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเรา ต, ตอนนี้เด็กเนี่ยพ่อแม่พูดคำหนึ่งเฉียงมาร้อยคาเลยเฉียงมาเลยอย่าไปเฉียงคืนเขานะถ้าเรารักลูกเ ร, เราเงียบสักเราเฉียงปุกมันเฉียงมาอีกนะัเราส่งให้เขาลงนระกนะถ้าลักลูกต้งองเงียบสักปล่อยให้มันให้มันพูดแค่นั้นก็จบอ่ะ ตอนนี้ยากมากสงกังคมทุกคนนีนะ้เพราะทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยสนใจชีวิตเล ย, ยไม่เคยเรียนวิชาสาร้างอนาคตกันเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสาร้างอนาคตกันแล้วไม่เคยทำเพื่อชีวิตจะไม่มีประเทศไหนทำเพื่อชีวิตเออเขามีบางคูฐานบ้างนะเขาเอา GDP cost domestic happiness คือเอาความสุขมวนรวมเป็นที่ตั้งก็ความสุขนี่คือชีวิต ประเทศ อ, อื่นๆเนี่ยเอา GDP เอาตัวเลขนะฮะเอาตัวเลขเป็นที่ตั้งเราไม่ได้ทําเพื่อชีวิตเราเราทำเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างตัวเลขช่วยกันองค์รวมของประเทศเขสร้างตัวเลขเออ GDP ขึ้นกี่กี่กี่กี่เท่าไหร่เออชีวิตเราก็เศรษฐกิจ GDP เราส่งตัวเป็นเท่าไหร่เราไม่เอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งเราทําอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็เราตั้งเป้าหาเงินเราก็มุ่งมาทำยังไงจะให้มันเงินเี่ย เราก็เลยไม่ระวังชีวิตเราเห็นไหมนั่นแหละพ่อคูถึงว่ายิ่งใหญ่มากนะพ่อคกูกาพวกเราสวยๆเลยนะท้ายพวกกูทําแบบพวกเราเนี่ยในอดีตคนอย่างพ่อคูทําอย่างนี้ไม่ได้ใครไม่รู้อย่างในบรรชานักเลงเรียพี่มันไม่มีเวลาออกมาทำเนี้ถ้าทำประชาติมันไม่ตัดคอผมพ่อคูทีเดียวเนี่ยหยุดอย่างคนพ่อคูไม่ได้ทุกคนพกอครูุ้นนะพ่อนรโมทนาด้วยทําไมทำ รธรรมดาโดยเฉพาะยุคนี้24ชัมม่วโมงของเราแก้ปัญหาเรา ย, ยังไม่จบเลยเราจะเอาเวลาที่ไหนในมาแสวงหาสิ่งนี้แต่ถ้าเรามีเวลาออกมาได้ไรเราไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาจิตเดิมเรามีพลังมหาศาลอยู่แล้วเมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยต่อย้อนให้มันหน่อยหนึ่งได้ไหมให้มันเลยแล้วต่อไปชีวิตเราที่เหลือเนี่ยเรื่องเล็กท้งปัญหาอะไรเราจะแก้ได้หมดบางปัญหาแก้โดยไม่ต้องแก้เลย วางมันวางมันหอ ม, มันทำก็จบอันนี้เราไปย้ำคิดย้ทำทําเองไม่ยอมปล่อยเองนะเคารวะกัดไม่ปล่อยแค่นั้นเองบางปัญหานี่วางมันลืมมันกนะ็จบแหละแต่เราไม่ยอมจบเลยที่ตีมานาแค่นี้ต้องชำระสิบปียังไม่สายบางปัญหาไม่ต้องแก้เวลาคนรักกันอยู่ที่บ้านนั่นเกิดมีปากเสียงกันวิธีแก้ง่ายที่สุดคือ น, นิ่งซะฝ่ายหนึงนิ่งไม่ได้ฝ่ายหนึงต้องนิ่งก่อน แต่เรานิ่งไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเขาจะเข้าใจเราผิดขณะคนรักกันเรากลัวเสียเปรียบนะ่ะกลัวเราจะแพ้คนที่เรารักนะคนที่เรารักจะยังให้ไม่ได้เลยเราจะไปให้คนอื่นได้ยังไงเราก็ต้องรับกรรมสิเพ่นมันอยู่แน่นเพาเราแค่งไงคนอื่นพูดช่ากหัวมันเถิดเดือดนะแต่คนที่เรารักเนี่พูดพวกนี้สามวันไม่ต้องมองหน้ากันน้อยใจน้อยใจไม่รู้รักกันแบบไหมบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ย ยิ่งพูดยิ่งซับซ้อนบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความชอบไม่เหมือนกันถ้าคนมีสติก่อนนิ่งก่อนให้เขาพูดบอกเขาอย่าหยุดนะพูดเลยกำลังสนุกเลยเดี๋ยวมันเหนื่อยก็หยุดเองนั่นแหล ะ, ะถ้าคนฉลาดนะพอเขาหยุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งกาลังสนุกอยู่นะเดี๋ยวก็จบไงมันเหนื่อยก็หยุดเองไะอันนี้เราไม่ยอมไง มันไปนใส่มันก็จุดไฟอยู่ตรงนั้นแหละเขากำลังจะหยุดแล้วก็ต่อไปอี ก, กจะใส่เข้ามาอีกเลยทาไปทำมาต่างคนต่างแน่นอนไม่หลับนี่รักกันแบบนี้นะเห็นหมมีเที่ยวหนึ่งคุณหมอมาจามดหารนันแหละพานี่ครั้งแรกมไม่รู้จักพวกกูเลยนะนะแกนกนุ่ยญาติขอพวกกูพูดเป็นอะไรหรอคุ้นตัวแฟนแกเป็นพยาบาลพ ว, พวกกูบอกว่ารักโลกโกรธผมเป็นทุกยกมือเลยครั้งแรกนะแรงมากผูก้หญิงคนนี้ แหม่หารู้ไม่ว่ามาเจอคนที่คนที่แรงกว่เขาสิรักมันจะเปทุ่งได้ยังไงนะพอคุณรักแฟนคุณไม่รักสี่ไม่รักแต่งงานได้ยังไงถ้าวันไหนคุณหมอถูกคนอื่นแยกไปยังรักอยู่หรือเปล่านั่งงงเลยบางทีไม่รักไม่พอนะแค่นี้ต้องชําระอีรักประเภทไหนถ้าเรารักเขาจริงๆรนี่คนที่โดนรักเขาไปมีความสุขต้องอนุโมนนาสาตุเลี้ยงฉลองสี่นี่รักหรอนี่รักจริงไหมรักจริงหรือว่าหรือว่าหลง เห็นไหมรักมันเกิด้วยความหลงเอา้าแล้วก็ถามว่าแล้วทํำยังไงล่ะนะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามื่อกตาอุเบกขาเห็นไหมอันนี้รักเฉพาะคนที่ฉันชอบนะเด็ยกยากจนไม่รุ่งคนไม่รักเนี่รักไลยถ้าคุณเมตตาคุณเมตตาหมดเลยเห็นไหมนั่นเป็นทางเดียวที่เราจะไม่ทุกข์ไงถ้าเรารักไปเราสูญเสียสิ่งที่เรารักนี่เราจะทุกข์ นะมีคู่หนึ่งนะเขาแก่ที่อุบลเนี่ยเป็นญาติทางพ่อคู่นะลูกชายเขาเป็นเพื่อนเป็นญาติด้วยเป็นเพื่อนเป็นอดีตสสอด้วยเขารักเมียเขามากเมียเขาเป็นคนจีนชื่อว่าแป๊ะแป๊ะนี่คือเขานะเขาจริงๆตั้งแต่แต่งงา น, นเน่ยเมียไม่ต้องทํางานแม้แต่หนึ่งอย่างประคองชีวิตกันล้ากันนักหนาจนอายุแปดสิบกว่าเก้าถึงเก้าสิบรักมากบังเอิญว่าภรรยาเขาตายก่อน โอ้ยเขาแก่คนนี้ตอมใจเลยเคยมาเยี <ka> <K>? ่ยมพ่อปูนะพ่อปูเทศอยู่แกก็ศรัทธาเนี่ยแหละเอาเงินมาทําบุญบนที่นี่ไม่ได้รับเงินตอนนั้นไม่รับเงินแกพ็บกก็ศาสนาสอนให้ทําบุญเออเอาไปทำที่อื่นแกไม่พอใจคือวันที่แกจะตอมใจน่ะพ่อปูเข้าไปในเมืองมาเอินไปเยี่ยมโรงพยาบาลแกขอจับมือพ่อปูแกบอกว่าตอนนั้นเขาเรียกอาจารย์ซึ่งพูดถูกแหละ แต่แกสายเกินไปแล้วแกทําใจไม่ได้เห็นไหมไม่มีใครแย่งเลยนะตอนใจต า, ตายต่างไปนี่แหละความรักความรักและผูกพันนะหลายหลายคนนะชีวิตเราเคยนะเขียนสกศด้วยรักและผูกพันพั้งผูกทั้พันกลัวมนันหลุดใส่กาวเยี่อห่อรักไปด้วยแล้วมันจะไปไหนละ่ะมันก็ตอดคอการข้ามภพข้า ม, ามชาติไงนี่แหละอันนี้สมควรการบู แม่รักลูกแค่ไหนก็ช่างแม่ก็ต้องหวาดแม่ก็ต้องหวาดล้างโปรแกรมนั้นซะเพราะสักวันหนึ่งมันต้องตายจากกันไม่ใช่แม่ตายก่อนมันจะลูกตายก่อนด้วยเห็นหมถ้าคุณไม่ล้างตังนี้ออกวันที่คุณจะตายเนี่ยคุณจะตายไม่ลงไม่ต้องมีคนมาแยกเลยนะเห็นไหมทีม่คนมแยกเนี่ยรักจนตลอดถึงแก่เท่าเลยแกตอมใจ แกนักเมียกั้จริงๆคนทั้งอุบลเนี่ยรู้เลยกิติสั์แกนะ่ะวันตาชีวิตแกบอกว่าสายเกินไปละพวกคูเคยเตือนแกแกแกทำใจไม่ทัอย่าประมาณเนาะมีโอกาสแล้วเนี่ยเบี่ยงทิ้งเหบี่งยงทิ้งคาว่าเหบี่ยงทิ้งไม่ใช่สนใจไม่ใช่ว่าเราจะจับลูกเมียเราโยน์ทิ้งไม่ใช่นันไม่ใช่ฟังพวกครูแล้วก็จับมันโยนทิ้งโยนน้ำในน้ำเจ้พาพญาดไม่ใช่ เวียงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งแล้วก็มีเมตตาทำหน้าที่เราจากตังมันให้มันหมดเหตุไปเร็วๆนะนั่หละเตรียมตัวตายทุกวันนะแล้วเราจะไม่ประมาทจะไปสร้างอะไรอย่างฉันจะไม่ตายอยู่ยงองกระพันนะสุดท้ายก็ทิ้งภาละ ใ, ให้ลูกให้หลานอย่างนั้นกไม่ใช่เรื่องสนุอแต่เราอยู่เราต้องมีเศรษฐกิจแล้วก็ต้องอีู ไม่เดือดร้อนนะคนฉลาดแล้วก็มีส่วนเกินเนี่ยแบ่งบันนั่นคือสร้างอริยสัจเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราไปจัดพิธีกรรมได้ไหมบอกเออเผาหมดเลยส่งไปให้ชั้น <c oughs> ตอนนี้คนจีนใช่หไหมเขาเผาไอ้เงินเงินเทียนนี่ยเผารถเบนด้วยนะเวลา<ๆ>เวลาอยู่ก็ไม่ได้ซื้อให้คนนั่งแค่หน่อยหนึ่งเวลานั้นก็ซื้อเผาให้กินกันหมดเลยเนี่ยอเขาปูชงไห่ล่ำรวยเลยนะเขาไปแล้วยังไปให้เขาแบ่งไปด้วยมันหนักนเนี่ยลากันแบบงนี่ไง นาะดูแลกัตจนที่อยู่นี่แหละนะใช้หนี้กันมันเป็นหมดทุกฝ่ายต่างคนต่างใช้อย่าแบกข้ามพวกข้างชาติไม่จบนะเกมนี้ไม่จบนะชาตินี้ฉันเป็นหนี้เธอชาติหน้าต้องเป็นหนี้ฉันนี่เวียนไหวตา ย, ตายเกิด อ, อยู่เนี่ยไม่จบนะเรื่องนี้ฟังหูไว้หูนะแต่ถ้าเราอย่าหยุดนะปฏิบัติแนวนี้ที่มันไม่มีแนวไหนต่อไปเรื่อยๆเราจะได้คําตอบด้วยตัวเราเองอาจารย์เราข้างในจะบอก เขูเขาพูดได้แค่เข้าๆเป็นแบบนี้นะก็เอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงในยุคนี้เนี่ยอย่าไปพูดธรรมะตั้งแต่สมัยโบราณต้องแปลบาลีมาเป็นไทยแล้วก็แปลแปลไทยเป็นไทยทะลอดกันอยู่ทุว น, นี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้แหละมาคุยกันให้เราเห็นจ่าๆเลยว่าทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรความสุขที่เราได้เพราะอะไรได้เพราะเราต้องได้ตัว น, นี้มาก่อนได้เล่นเกมสนุกสนานมันไม่ได้สุขนะแค่มันลืมความทุกข์ตั้งแต่เองกทั่วคร่า มันไม่ใช่สุตที่แท้จริงเนาะและปฏิบัติธรรมด้วยแค่แบบทั้งสมาธิในกดมันไม้กดมันไม้กดมันไ้อ่กดมันไว้มันก็สงบชั่วคู่ไงปัญญามันไม่เกิดเชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่เราไม่ได้ขัดจังใจให้ผ่องใสเลยเห็นไหมถ้าทุกคนเข้าถึงตรดนั้นแล้วเราจะเลิกนักถือพระทีเจ้าทันทีคาว่านักถือมันหยากไปเราจะบูชาถวายชีวิตโ์ ไปเห็นได้ยังไงรู้วิธีแก้ด้วยโอ้พเราบุญเยอะมากไม่ต้องไปบุเข็ญไม่มหาสูตรทุกวันนี้ก็เจอพระุทธเจ้าวายว่าทุกคนแต่ไม่เคยเชื่อพวกผมเลยแต่ไปเชื่อทุนนิยมมันออกร้วยใหม่วิ่งใส่เลยเห็นไหมก็เป็นกรรมไปเชื่อเขาไม่เชื่อพระุทธเจ้าไลยะพุทเจ้าไม่ได้สอนให้ลบชี้เกียร์นะสอนให้วางไม่ได้สอนให้ทิ้ง ทำมากคือหน้าที่หน้าที่คือทำมาทุกคนสร้างเหตุไม่เหมือนกันแต่เราต้องทําหน้าที่นั่นอย่างมีความสุขเห็นไหมถ้าทําไปด้วยทุกไปด้วยสแสดงว่าเอ๊ะผิดเพี้ยนเราต้องมีอะไรปัญหาแน่ๆเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําเราพึงพอใจกับมันเมันเป็นอาชีพเราใช่ไหมต้องสุขสิ์อันนี้ทำเพราะอยากได้ก็เลยกลัวจะไม่ได้ทําไปด้วยกังวนไปด้ว ย, นวยเนี่ยอันนั้นทุกแล้ว แล้วไม่ได้ทำเพราะความอยากก็ไม่อยากทำํำทำไมทำเพราะทําไงทำมะคือหน้าที่หน้าที่คือทำมะเห็นไหมการทําหน้าที่คือเราเราเป็นธรรมะแหละแล้วก็ทําอย่างตั้งมัน่นอย่างมีความสุขส่วนมันทำแล้มันได้บางทีเราเก่งนะเราทําเราเก่งเราทําได้เก้าสบเก้าเปอร์เซ็แต่มีบางคนมันเก่งกว่าเราเมันได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะเขาแข่งขันเราก็ะดายเป็นผู้แพ้เราเป็นคนชัว่วมั้ยไม่ไม่เกี่ยววิ่งน้อยไม่แข่งกันจะเป็นที่หนึ่ง เหมือนกันไม่ได้มันก็ที่หนึ่งคนเดียวไงเป็นที่หนึ่งไม่ได้ทั้งหมดแต่เป็นคนดีได้ด้วยกันทั้งหมดไปแค่นั้นทำไมเเ ห, หรอเราทำให้มันดีที่สุดมีคนคนนึงว่าตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะไปหาเงินพันหนึ่งไปรับจ้างหมดเลยทำอะไรทั้งหมดหละ่ะจนพ้ะอาทิตตกดินแล้วได้แค่แปดร้อยกลับมาบ้านโมนใหญ่เลยว่ามันไม่ตรงเป้าทุกอี อีกคนนึงไปเดินได้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเก็บเงินได้สองร้อยโอ้โหดีใจมากเลยไอคนได้สองร้อยดีใจไอคนได้แปดร้อยมันทุกข์มากน้อยไม่หลับอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมถ้าเราทําเพราะทํามันได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นถึงจะไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกข์ไงโอเคเขาเตือนไปละทําไม่เตือนเนี่ยพวกกูหยุดไม่เป็นครับการให้มันมันไม่ไหลมันไม่ไม่เหนื่อยมันไหก็เดี๋ยวจิตในจิตแล้วก็นานๆติดต่างเมื่อก่อนกลับเนาะ